ความทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆนจึงสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเลยที่ให้นามว่าสวัคขาโตพระกัตตาธรรมโม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 เกี่ยวข้องก็คือสัตว์โลกได้สนใจใคร่ต่อการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยความชอบใจด้วยมานี่ผิดกันอย่างนี้คือผิดกันไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆบรรดาของจริงเพราะใจที่จะรับทราบในของจริงทั้งหลายถูก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 ไปเสียเป็นส่วนมากนี่จริงลำบากทั้งผู้จะนำมาสอนก็ไม่ทราบว่าด้วยความรู้ความเห็นลึกตื้นยามละเอียดเพียงใดที่จะนำมาสั่งสอนซึ่งกันและกันผู้ปฏิบัติก็ ไม่ได้สนใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนครั้งพุทธการเรื่องจึงเป็นเรื่องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆสุดท้ายาศาสนาธรรมก็สักแต่ว่าชื่อมีในตำลาก็ก็มีอย่างนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจความสนใจมีน้อยความไม่สนใจมีมาก นี่พูดถึงเรื่องชาวพูดเราแล้วต่อไปเมื่อชินชาเข้าไปมากๆต่อสิ่งต่ำแซมทั้งหลายก็เลยไม่สนใจต่อสิ่งที่ทรงแสดงไว้ในตำหลับตำลาไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีผลประโยชน์ในทางที่ดี และเป็นพิษเป็นภัยต่อการกระทาของตนโลกจิงนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันครว่าโลกนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันเราอย่าไปหมายแต่คนอื่นโดยไถ่เดียวต้องบวกเราเข้าเป็นเป็นในลายเข้าไปมันจึงได้มากว่าเป็นโลกถ้าไม่ได้บวกเราเข้าก็บบช่อง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 ก็เรียนมาจากตำหรับตำลาและปฏิบัติแบบรุ่นร้นเดาๆแล้วก็นำมาสั่งสอนมือประหนึ่งว่ารูปๆคำคำในการสั่งสอนหรือนำคำบอกเล่ามาสอนผู้ฟังจริงไม่ได้ถึงใจแต่ส่วนที่จะทำจิดใจของเราให้กำเริบสืบสารหรือให้ล่มจมลงไปนั้นมันไม่ได้ดเป็นเรื่อง่อยๆเหมือนธรรมที่ปัญญาแก้ พิเลตตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังจมจริงๆมีน้ำหนักมาตลอดไม่เคยมีความจืดกลางในตัวเขาหมันเลยนี่หละมันลำบากอยู่ที่ตรงนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นผู้ตั้งใจจริงแต่เม็ดเต่เหนือยก็ตามก็ยังต้องลำบากในการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยาตามหลักของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นและสอนไมแล้วจริงๆ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 แต่เราไปหาครูหาอาจารย์ผู้ที่ทรงคุณท่าแห่งธรรมด้วยความรู้ความเห็นเต็มหัวใจจริงๆมาสอนด้วยโดยเพื่อความถูกต้องแม่นยำนี้รู้สึกจะหายากมากทีเดียวและยิ่งค่อยร้อยหลอลงไปทุกวันทุกวันนี่แหระทให้จิตใจของผู้นับถือพุทธศ า, าสนาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ย่อหย่อน ออนข้อลงไปปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเข้าเป็นลํำดับลําดาสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ภายในจิตใจและการแสดงออกแสดงออกด้วยความทุกข์ความลําบากทั้งนั้นโลกินหาความสงบร่มเย็นในกินยาท่าทางนับแต่ภายในจิตตลอดถึงร่างส่วนร่างกายออกมาเนี่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานระบายออกต่อกันนี่มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้น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 เพราะที่สถิตของความสุขอันเป็นสิ่งสำคัญดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นคือใจไม่มีจิิยาของจิตที่จะเ ส, ะสาะแสวงหาความถูกต้องดีงามนั้นเข้ามาบรรจุภายในจิจตใจของตนเลยจึงหาความสุขเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนหรือเป็นเครื่องสนองความหวังไม่มี มีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมารตแล้วยู่ก็อยู่ด้วยหาความแน่นอนไม่ได้อยู่แบบเลื่อนๆลอยๆไปแบบเลื่อน ๆ, ๆลอยๆกิริยาแห่งความเป็นอยู่แม้จะชีวิตลมห า, ายใจมีอยู่ก็ตามแต่ใจหาหลักเกณฑ์ที่ยึดเป็นที่แน่นอนไม่ได้ย่อมแสดงความรวนเลยอยู่ตลอดเวลาพาน จ, จิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้น ทุกจะไม่เกิดได้ยังไงทุกจะม่จะมีไม่มีได้ยังไงก็เพราะกิาการที่เป็นเหล่านี้เป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมความสุขความจเจริญความสงบร่มเยน็นภายในจิตใจเพื่อกระจายออกสู่กันใะกันให้รับความร่มเยน็นร่มเย็นด้วยกันเลยนี่นี่ละเรื่องของโลกกว้างแสนกว้างเราอย่าไปมองดินฟ้าอากาศจักรวาลกี่จักรวาล หมื่นแสนจั ก, กรวาลเราอย่าไปมองให้มองดูหัวใจของสัตว์ของบุคคลที่เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งความสุขและความทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นของสําคัญด้วยเหตุนี้เองาศาสนาธรรมจึงประกาศลงที่ตรงนี้ไม่สอนดินฟ้าอากาศไม่สอนจั ก, กรวาลใดๆว่าเป็นผู้จะรับอัดรับธรรมเป็นผู้จะรับความสุขความเจริญ แลจะเป็นผู้ชำนาญศาสาสงสิ่งที่ปิน่นปืนเป็นไฟทั้งหลายได้นอกจากใจของศาสตร์โลกแต่ละหลายหลายเท่านั้นธรรมะจึงมุ่งลงไปในจุดนั้นนี่ดินฟ้าอากาศไปสอนเขาทำใหมโลกกว้างแสนกว้างมีความหมายอะไรกับตัวเขาเขาไม่มีความหมายอะไรกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์ว่าสุขจึงไม่ปรากฏกับเขาเองเพราะเขามีความหมายอยู่แล้วเชียงที่ จาะแสดงหาด้วยสิ่งที่ก่อพลวยความหมายสิ่งที่เป็นเจ้าเรื่องด้วยเจ้าแห่งความหมายจริงๆมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาถ้าไม่มีเครื่องแนะนำพัําสอนให้เป็นทางดําเนินที่ถูกต้องในงามเพื่อใจจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นแล้วใจก็จะสั่งสมตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ตนกี่กับกี่กันก็เป็นดังที่เป็นอยู่เวลานี้หาเวลาที่จะ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 เป็นเรื่องของมันทั้งนั้นที่ครอบงำอยู่ทําให้เคลื่อนไหวไปมาในอากติริยาใดๆเพราะฉะนั้นไปสู่ภบใดภูมิใดจึงเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้พาไปนี่เมื่อเป็นเชน่นนี้เราเห็นยังไงบ้างกับาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกแนวทางอันถูกต้องดีงาม แล้วกาจัดปัดเตาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อสัตว์โลกเองออกด้วยการสดับตรับฟังคำสอนของท่านเรามีคำสอนของท่านเป็นเครื่องชี้แนวทางและเป็นเครื่องประกอบดำเนินตามกลับไม่มีเลยกระเสือกกระสนไปตามอำนาจของเจเลตันหาเลื่อยมาดังที่เป็นมา น, นี้อันไหนดีนะเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเวลานี้กอดคำภีกอดธรรมะกอด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 ในวัตจักรนี้นอกนั้นไม่มีเราจะจะคอยเอาความอยากความทะเยอทะยานให้มันพายุติแล้วอย่าหวังเพรามันเคยพาอย่างเป็นอย่างนี้มาโดยสาเดียวเท่านั้นเรื่องพายุตินั้นไม่มีต้องหมุนไปเวียนมาหมุนไปามาอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่ว่าสูงสูงก็าอาศัยอานาจแห่งธรรมที่เข้าแทรกจึงสูงได้นอกจากนั้นก็ต่าลงไปตาเสียให้ไม่มีเหลือ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 ผู้รับเค้าอันสำคัญนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาการเทศนาว่าการผมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความไม่สงสัยผมพูดโกงๆผมไม่สงสัยตอนทีสส่สงสัยก็บอกว่าสงสัยเวลาไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่สงสัยทำไมจึงไม่สงสัย เหมือนเราก้าวเข้ามาสู่วัดปร่าบรรตารนี้เห็นวัดปร่าบรรทัดแล้วเราสงสัยอะไรที่นี้แต่ก่อนเราไม่สงสัยเมื่อเข้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่เราต้องการได้เห็นแล้วเราสงสัยอะไรอีกนิบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติตามพระาว่าของพระเจ้าแล้วจะหนีไปไหนถ้าเราจะเป็นผู้ตั้งใจไปปฏิบัติตามพระอาว่าที้แล้วจะไปไหนถ้าไม่เข้าไปสู่ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ ตามหลักธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนั่นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นที่มั่นใจในการปฏิบัติตัวเองต่อความดีงามทั้งหลายจะเป็นการสร้างความทรงบังให้แก่ตัวไปรื่อยลำดับอันเรื่องความทุกข์ความยากพอกิเลสมันหลอกลวงว่าการประกอบความเพียรทุกๆยากนั้นมันเคยหลอกเรามาเท่าไหร่แล้วเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือ ก, การประกอบความเพียรหรือจิตใ จ, จ, จ, จ, จเรามีความสงบร่มเย็น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 เอาอันนี้เข้าไปเทียบกันสิอะไรมายากท่านไม่ได้ยากคำว่ายากก็เป็นเรื่องของสมมติที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ตกแต่งให้เท่านั้นเราก็ยึดอัมผันศีรษะคือหัวใจเราเท่านั้นเราจึงก้าวไม่ออกการก้าวไม่ออกมีแต่จมอยู่กับวัตตจักมีกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงนี้มันดีแล้วหรืออันนี้ก็เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกีห่หน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 ใครเป็นคนสัมบัตสัมพันธ์แบกบาปหาปกรรมอยู่ทุกวันนี้ถ้าม่ใช่สัตว์โลกไม่ใช่พวกเร า, เรา ท, ท่านนี้เป็นใครแล้วยังไม่ยังไม่เชื่ออยู่หรือว่าบาปมันใหม่บาปคืออะไรความเศร้หมองมืดตื้ อ, อกล้าไปไหนก็มีแต่เหยียบขวางเหยียบน้ํานั่นเห็นไหมมันปิดบังไว้โทษทางบาปความเศรหมองคืออะไรก็คือกองทุกข์เหยียบน้ําเป็นทุกข์หมน่ะเราจะกล้าไปตรงไหนไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายมีแต่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 ของมีอยู่ทําไมมันจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปิดบงังสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นทางนั้นทําไมมันจะไม่เห็นถ้าตั้งใจประพุตปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นมันต้องเห็นไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญกิเลสประเภทใดที่มันเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราอยู่เวลา น, นี้เราไม่เห็นมันก็ทำมาทั้งปวงนี้สอนเพื่อจะเห็นกิเลสเพื่อจะละกิเลสเพื่อให้ค่ากิเลส ท, ทั้งนั้นทําไมจะเห็นมาได้ค่ามาได้ พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าด้วยวิธีใดทํำข้อใดทํำหรืออันใดม า, มาแก้มาฆ่ากี่เรีย ก, ก็เป็นเรื่องของธรรมที่ทรงสอนไว้ด้วยความเห็นผลมาแล้วนี่ทั้ง น, นั้นท่านเอาอะไรมาสอนนี่ก็มีเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสดสดร้อนๆทั้งที่เรียกว่าอากาลิโกฟังจะว่าธรรมมันเป็นอากาลิโกสอนสิ่งใดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีอยู่แล้วไม่มีคําว่าคลืไม่มีคําคคว่าล้าสมัย ไม่มีคําว่าหมดสิ้นไปแล้วเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นสิ่งที่ควรละสอนให้ละอืสิ่งที่ควรบําเพญ็ญสอนให้บําเพญ็ญไม่ล้าสมัยสอนให้ละละได้ผู้ตั้งใจจะละผู้บําเพญ็ญก็บําเพ็ญได้จนกระทั่งสมบูรณ์ถ้าไม่ให้ขี้ขเกียตัวขี้เกียดเข้าไปเหยียดย่าทำลายความเพียร น, นั้นเสียแน่ท่านก็ออสอนไว้อย่างนี้แล้วนี่ธรรมมาของพระเจ้าแลยมีถึง แต่ตัวหนังสือแล้วนะเวลานี้เห็นอยู่ก็ไม่ปฏิบัติตามจะทำยังไงแล้วใครก็อยากได้รับความสุขความเจริญใครก็อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานแต่ไม่สนใจกับทางสวรรค์ทางนิพพานสิ่งที่ไม่สนใจที่จะไปนั้ น, ม, นมันประกอบหรือมันทำอยู่ตอลอดเวลาด้วยความสนใจของตัวเองเพราะอำนาจกิเลสมันบีบบังคับให้ทำราคาเป็นยังไง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 ราคาตันหาก็ ด, าากดีความโลภความโกรธความหลงก็ดีปีแต่ของต่ําตามกว่อทำทัา้างนั้นทําเป็น ก, ก, ากําจัดป่ดเต่าหรือทําตําหนิทั้งนั้นทําไมเราจึงเห็นว่าเป็นของดิีของดีอยู่ตลอดเวลาและสั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งที่แจ้งทั้งที่รับทั้งอัตโนมัติทั้งจงใจเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะหาความสุขความเจริญความเลิศเือมาจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเลิศเือให้ใครทั้งนั้นนอกจากสร้างตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานไปที่ไหนฐานมึสิ เราจะไปถามนเกินนอกถามเน่วงวันนี่ก็ถามถามดูหัวใจดูก็ถามสิมันเป็นยังไงขนาดหนึ่งมันเย็นไหมมันมีตังแต่ความรุ่มความร้อนมีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นมากี่ครั้งกี่ขนกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแล้วใจดวงนี้ทําไมไม่เห็นโทษของมันดิ้น เ, เรื่องไม่เป็นท่าดิ้นหขาขวากหาหนามมาเสียบแทงตัวเองนั่นมันดิ้นมาสักเท่าไหร่ดิ้นหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองมันดิ้นมาเท่าไหร่แล้วมีตั้งแต่กิริยาแห่งฟืนแห่งไฟทั้งนั้นเรายังไม่เข็ดไม่หลับเลยเหรออืม ให้มันดิ้นทางธรรมะผันกันก็หัวขีดเดี่ยวถ้ามันาขาดสะบัน้นลงไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดิ้ น, น, นเหมือนไปหลยนั่นท่านสอนอย่างนั้นนะ่ะมีก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนมันสอนอย่างอาถหาพ์พูดนย่างว่างนี่นะ่ะไม่สะทกสะทานก็มันเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่เอาอะไรมาสะทกสะทานไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเมื่อเห็นอยู่แล้วจะให้ว่างอะไรอีก ถ้าแตเราไม่เอาแล้วกรรมันก็สุดหัวใจมันไม่ถึงใจแล้วมันก็หมดเท่านั้นกิเลสเป็นเครื่องถึงใจก็มีแต่นั้นแหละมันจะถึงทุกพาให้ถึงทุกอีกระดับเวลาถ้าทำไม่ถึงใจค ว, ความจมุความเจริญความหลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะถึงใจได้ใจก็ผ่านพ้นไปไมาได้แล้วพวกเราจะทํายังไงตั้งปัญหาถามเจ้าของสิอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นยังไงมีใครเลิศประเสริฐกว่ากันคนในโลกนี้ซึ่งเป็นครั้งกิเลสปีบบังคับอยู่หัวใจด้วยกันทุกคนทุกคนทุกไาทุกไ ล, กลใครเลิศ เอา่าเทียบกันสิเอามาเป็นคู่แข่งกันสิี่แข่งตั้งแต่ฟืนแต่ไฟนะเผากันตลอดเวลาแต่แล้วก็เอาลมออนแรงมาพูดว่าดีว่าเด่นว่าเลิดว่าประเสรศิฐนั้นดีอันนี้เกสกสรรปัญญามีแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้คืออะไรคือีิเรียนหลอกคนถ้าทําแล้วไม่หลอกอย่างนั้นเป็นยังไงเห็นอย่างงั้นแล้ยกตัวอย่างตั้งแต่เพียงขั้นสมาธินี้ก็รู้ก็เป็นแล้วสมาธิเป็นยังไงเมื่อเป็นในใจแล้วมันมันไม่ได้เป็นมีแต่ลมแต่แรงนี่ เป็นจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงสงบจริงจเย็นจริงๆริะสมาธิขั้นใดละเอียดขนาดไหนเห็นอยู่กับใจรู้อยู่กับใจอัศจรรย์อยู่กับใจนี่มันเป็นรวมๆแหล่งเลงที่ไหนนี่ทําเป็นอย่างนี้แล้วท่านหลอกโลกที่ไหนล่ะก็ท่านเป็นแล้วท่านถึงมาสอนโลกเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาคนนเอาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกคลานไปจนกระทั่งถึงขั้นที่หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นหลักธรรมะเป็นเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติจนกระทั่งถึงกิเลส หลุดรอยไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาต่อต้านกับปัญญาภพเหตุนั้นนั้นนั้นได้เลยก็พระผู้ที่เจ้าสอนมาแล้วเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่จิตนี้เป็นลมเป็นแรงที่ไหนลมลแรงแงที่ไหนเป็นอยู่ที่จิต ร, รูออรร้อยู่ที่จิตเห็นที่จิตการละกีเดียวละได้ที่จิตหลุดพ้นหลุดที่จิตประเสริฐเลิศเลยประเสริฐอยู่ที่จิตเห็นชัดชัดอยู่นี่เป็นลมลมแรงแรงที่ไหนทำไม่ใช่ลม ล, ลมแรงแรงไม่ใช่โกหกโลกสิ่งที่โกหกนี่ก็าพูดอย่างแล้วอะธรรมนั่นคือความโกหก มันมันก็หหดตลอดเวลาเรายังไม่จืดไม่จางยังติดพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอิ่มพอเลยจะทํำยังไงยังไม่เบื่อยหรือการเกิดตายในโลกนี้มา ก, กี่กับกี่การแล้วประมวลมากใจดวงนี้ใจดวงนี้แหละดูดวงหาประมาณมาได้ทั้งเกิดทั้งตายแท่านท่านก็ บ, บอกว่าแล้วในธรรมไม่มีคมําว่าต้นมีคำว่าปลายพัฒนาไม่ได้เลยเพราะความหมุนเวียนเกิดตาเกิดตายอยู่นี้ตลอดไปถ้าไม่มี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 คิดโมมนุษย์สัพิลาโผลาคือความเป็นมนุษย์เราได้เป็นแล้วเนี่ยแล้วนอกจากนั้นเรายังได้เป็นพระอีกในพอคืยปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเอาฟาดลงไปสิเราเคยเป็นเคยตายกับวิเศษเป็นมามากตายมามากแล้วมันมีเศษวิโสที่ตรงไหนเอาเป็นกับตายกับธรรมนี่เราสิฉลาดลงไปนี่เห็นความประเสริฐเลิเลอ่อเรือดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนพูดเราพูดเป็น ส, สดสร้อนรอนอยู่ในหัวใจของผู้เป็นนั่นเอง เมื่อได้เป็นเต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนเรื่องสองสมมติที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะเออตาก็เพียงแต่สัมผัสในทางทางรูปเพียงเท่านั้นแยบเท่านั้นนั่นนือกิริยาสมมุติที่มันรับกันคืออ ว, วัยวะของเรานี้เป็นสมมุติอันหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นสมมุตอนนิอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมมุติอันหนึ่งหนึ่งแต่ละอย่างอย่างเป็นเครื่องมือของใจแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กันเพียงยิบแยบยิบแยบแล้วดับไปดับไปดับไปเพียงเท่านนั้ ว่านีเศียรวิสสอะไรฟาดใจให้มันบริสุทธิ์ดุจพ้นจากสิ่งทลายเหล่านี้แล้วนั่นแหละอันนี้ละอันเหนือโลกอันไม่มีใครรู้ได้กล่าวถึงได้ถ้าไม่เป็นถ้าลงเป็นแล้วไม่กล่าวก็รู้กล่าวก็รู้ดังพระพุทธเจ้าและภาษาโบกท่านไม่บอกว่าประเสริฐก็ประเสริฐถ้าลงไน้สิ่งอัมซางหนาได้ดุจรอยประจากใจแล้ว ทำมากกสดสดร้อนรที่ท่านสอนไว้น่ะไม่ผิดไม่เพี้ยนที่ตรงไหนเลยเนี่แต่การปฏิบัติของเรานี่สิเอาแต่กิเลสไปเป็นคนรูเป็นอาจารย์เป็นศาสตาแทนาศาสนธรรมของพระเจ้าปเปรียญ น, นี่สิที่สําคัญมันจึงหาความร่มเย็นเป็นจุภาจิตใจมาได้แล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะหาความหวังที่ไหนได้เราไม่ได้สร้างความหวังอันถูกต้องดีงามไว้เกี่ยงหัวใจเลยจะมีความหวังเพื่อตอบสนองเราได้อย่งไรเรารีบสร้างเลย เอาให้ดีเให้จริงสิยากก็ยากเถอะยากการสร้างความดีปีติยินดีก็ยิ่มไปเป็นไรเอาตายด้วยความสร้างการสร้างความดีเอาตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่ต้องนิมนต์พระมาคุสลาก็ได้ถ้าลงตายด้วยความดีแล้วดีทั้งนั้นแหละเอาให้มันจริงจังผู้ปฏิบัติที่หมดเข้าหมดข้าแล้วนะครูบาอาจารย์บีตกมันอดไม่ได้นะเพราะคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนเห็นได้จึงต้องคิดถึงหมู่ก่อนก็คิดถึงเจ้าของมาแล้วนี่ ไปยังไงจะของกระเสือกรกระสนกระวนกระวายหาครูหาอาจารย์เพื่อกลุดความบุดพ้นเท่านั้นอืการปฏิบัติธรรมไม่เพื่ออย่างใดเราเพื่อความบุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยเพราะฉะนั้นการสอดส่องหาคหาารูหาอาจารย์จึงสอดส่องแม้เราจะขี้เี้ขี้เหลงง้อเขาบปัญาปัญญาขนาดใดก็ตามเราจะหาตั้งแต่ยอดยอดครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างแม่นย ำ, ยำอย่างถูกต้องไม่มีสงสัยเลยนี่มันก็กระวนกระวายสิ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 เหล่านี้มีตะเพ็ดน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นเวลาอยู่เฉยก็เหมือนมีดอยู่ในฝักเหมือนโง่ที่สุดเวลาไปพูดธรรมะกับท่านที่ทางด้านปฏิบัตินี่ว่าโหอโจะแสดงอาการความสง่า ง, งามขึ้นมาแผ่วพาวแผ่วพาวแล้วก็ขึ้นกล้าถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นมาแต่และองค์ท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความรู้ที่เป็นพื้นพันในจิตใจแล้วเหมือนกับมีดที่คมริบที่เดือพันนั่นพันนัอยู่ในฝัก ถอดออกมานี่กราดาเป็นที่ไหนขาดจะบ้านไปหมดเลยนี่แหะจิตใจที่เป็นจิตใจที่คมในฝักเป็นอย่างนั้นพูดตรงไหนถูกหมดก็ท่านรู้หมดแล้วแต่จะให้พานพูดผิดไปตรงไหนพูดถึงเรื่องสมาธิท่านก็ผ่านมาแล้วด้วยวิธีการใดท่านนาวิธีการนมาสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยตลอดถึงผลเป็นยังไงท่านก็พูดได้เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยเช่นเดียวกันถ้าทั้งถึงปัญญาที่มุดหลุดพ้นท่านทรงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะโซกฐ า, านในการสอนได้ยังไง ท่านมาันจะต้องกานพราะท่านรู้ท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยกเทิดทูลธรรมะพุทธเจ้าไว้ไว้บนเสียนข้าตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทำบนหัวใจแล้วมอบถวายพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยนั่นท่านถวายได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรมีคุณค่ายิย่งกว่าทำเพราะเห็นแนแดนประเสริฐอ๋อประเสริฐอย่างนี้เหลยนั่นพราะอะไร เพราะสิ่งที่ไม่ประเสริฐมันคุกค้ากันมากี่กับกี่กันแล้วในหัวใจดวงนี้เราเคยครองกันมาเราเคยผูกพันกันมาเคยเผาเราขนาดไหนมาแล้วรู้ด้วยกันทุกคนทุกคนเมื่อได้ผ่านอันนี้ออกไปดงหนาป่าทึบมีแต่ฟืนแต่ไฟนี้ออกไปถึงความสว่างกระจาดแจ้งเลิศเลยแล้วทําไมจะไม่อัศาจรรย์ทำบุญเจ้าเพราะทํำแท้ๆเป็นผู้พาให้รุดพ้นจากสิ่งจองจําหรือฟืนไฟทั้งหลายแล้วเนี่เนี่ยสําคัญธ์อยู่ตรงนี้ใจดวงนี้เราเอาให้ดีนะมไม่ตายไม่เคยตายละยันได้เลยเชียว เอาเรียนเข้าไปเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้เรื่องความจริงของใจแต่เพียงแต่เราเรียนในภาคปริยัต่เฉยนั้นเรียนเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยแหละไม่ว่าท่านมาเราเป็นเหมือนกันหมดไม่ตําหนิติเตียนใครละเพราะมันไม่รู้มีแต่คําบอกเล่ากันเฉยความจริงมันไม่มีมันก็ต้องสงสัยแต่ที่เวลาปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงความจริงความจริงจนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนแล้วสงสัยที่ไหนนั่นฟังสิเต็มหัวใจไม่มีทางสงสัย ในจิตเวลามันเต็มไปด้วยความมืดหนาป่าเถื่อนเราก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราถึงจะโง่แสนโ ง, ง่มันมันก็รู้อยู่นี่จะว่ังหืะเป็นแต่เพียงหาทางออกไปได้เท่านานเวลาแก้ไปแก้ไ ป, ไปสิ่งที่พัวพันสิ่งที่ผูกมดัดรัดลึงจิตใจของเรานี่มันค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปอืมความภาคเพียรสติปัญญาค่อยแทรกเข้าไปได้แทรกเข้าไปไ้ตีกระจายออกตีกระจายออก ตอนนี้เรื่องพบชาติมันย่นเข้ามามากน้อยเพียงไรมันก็เห็นอยู่ในหัวใจนี่ออตอก่อนมีแต่พบแต่ชาติจนหากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยมันก็รู้เวลาตัดเข้ามาตัดเข้ามาก็รู้จนกระทั่งตัดขาดสะบ้านไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นต่อกันแล้วคราวนี่อะอากุปปาเมวิมุตติความหยุดพ้นนี้ไม่มีทางกําเริบไปแล้วมันเห็นชัดแหละแล้วก็หมายกันว่าความเกิดความตายนี้ไม่มีอีกแล้วในจิตดวงนี้นั่นมันก็รู้ได้ชดัดชัดดัง ที่ท่านสอนไม่ทําทำมาจากกับพระรสนั่นติดดานนี้ปุรนพโวความเป็นความเป็นคืออะไรความเป็นอย่างนี้ได้แก่ความเกิดแก่จะตายที่หาผามกองทุกข์ไปแล้วไม่มีอีกแล้วนั่นก็จิตรงนั้นเองอุทานตัวเองเพราะเคยแบบเคยหามมาแล้วเมื่อสลัดปัดทิ้งออกหมดก็ต้องออกอุทานอีกแบบหนึ่งสิบนันข่าวนี้อุทานนี่ว่าพ้นแล้วจากกองทุกข์ทั้งหลายมหันตทุกข์นั่นท่านหมดท่านยุติได้แล้วีีนสอยู่ก็อยู่ไปสิ จริงๆเนี่ยเคยพูดเสมอว่าความเป็นความตางประหานถ้าไม่มีน้ำหนักตา่างกันเลยนี่ถ้าไม่เอาประโยชน์ของโลกเข้าไปเทียบเทียงแล้วตายวันไหนท่านก็ตายได้สบายสบายอยู่ได้ตายได้สบายสบายเพราะไม่มีอะไรหนักใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติความมีมุดหลุดพ้นนั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมากเกี่ยวข้องกันได้อย่างไงไม่เกี่ยวเมื่อถึงขั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวทำยังไงก็ไม่เกี่ยวเหมือนอย่างว่ากิเลสท่านสิ้นไป่ะเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้ ว, ม ไ, ลวไม่ว่าราคาไม่ว่า ความโลภความโกรธความหลงอันใดก็ตามเมื่อสิ้นไปแล้วหาที่จะหาสิเมื่อมันหายังเจออยู่นี่จะว่าสิ้นยังไงหาไม่เจอที่เรียกว่าสิ้นคือสิ้นแล้วมันไม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วจะหาเจอได้ไงนั่นล่ะท่านว่าท่านสิ้นทสิ้นอย่างนั้นแล้วนี่ภพชาติมันติดตามมาจากกิเลสเมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วภพชาติมันเอาอะไรมามาเกิดเห็นต้ชาติอยู่ในหัวใจดวงนั้นดวงที่เคยพัวพันอยู่กับสิ่นทั้งหลายเหล่านี้เกิดเจ็จะตาย มากี่กับอีกกันเวลามันสลัดกันออกก็เห็นชัดๆอย่างนี้ทำมาฮูจว่าสันทิ่ทิโกสันนิโก้ประกาศท้าทายอยู่ตลอดในธรรมาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเอาสิผู้ปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นความจริงจ้างไปจ้างไปไปที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเยียบหัวพระหวัวเนรกิริาการสแสดงออกเม้ตั้งแต่เรื่องของกิเลสเยียบ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 ศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญามีแตเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเป็นเครื่องมือของธรรมไมมีเลยจะว่างไงแล้วมันจะไม่ถลุมยังไงก็เมื่อขนาดนั้นแล้วสัทธาก็เชื่อตามสิ่งกิเลสพามันพ า, พาให้เชื่อนั่นเสียวิริยาก็เพียนไปตามความเชื่อนั่นเสียสติก็อาจดจ่อต่อเนื่องกันไปกันในเรื่องความเจ้าช้ชาละโมกขันเสียปัญญาก็หาอุบายความเฉลียวฉนาดศึกษามามากน้อยเพียงไรมันก็ทุ่มลงไปในจุดเดียวนั้นเสียว่าไงคําว่าสมาธิ สมาธิก็เป็นสมาธินั่นแหะคือมุ่งมั่นต่อความที่จะเอาที่จะสร้างความชั่วมุ่งมั่นในสิ่งชั่วละชานะมกที่ตนต้องการนั้นให้ได้ให้ได้นั่นก็เป็นไปทางท่านเสียท่านจึงว่ามิจฉาสมาธิสำมาสมาธิมันจึงมีเป็นคู่กันไปคู่กันไปสัทธาเวสติสมาธิปัญญามันเป็นคู่กันได้ถ้าใจไต่เต้าไปตามอัตมธรรมสิ่งนี้เป็นก็เป็นเครื่องดําเนินของธรรมถ้าจิตมันหมุนไปทางจีเลรศเชื่อไปทางจีเรศมันก็หมุนไปตามกันหมดนั่นทั้งนัใจเราด้วยกันทงนอย อขณะนี้มันขยันนะเดี๋ยวขณะต่อไปมันที่เดียรนั่นเห็นไหมมันพลิกได้ขณะเดียวเท่า น, านั้นในหัวใจเรานี่แหละกิเลสกับธรรมมันอยู่ในฉากเดียวกันให้เห็นดูจิบวะเป็นยังไงเขาพูดใหเจ้าท่านว่าท่านเลิศแล้วเลิศยังไงภาษาบอกว่าอหารหันนท่นเลิศยังไงแต่มันเห็นในหัวใจเจ้าของ หัวใจเนี่ยเป็นผู้ที่จะรับทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อันใดเช่นเดียวกับมันรับกิเลสนั่ะแต่ก่อนก็เป็นภาชนะกิเลสเหมือนการพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจใจดวงนั้นน่ะเวลามาชาระสักฟอบออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นอันนี่กลายเป็นเรื่องทรงธรรมทั้งแท่งเลยที่ไม่ต้องบอกกันเลิศไม่ว่ากันเลิศไม่ว่าเลิศก็เลิศนั่นไม่มีระคำว่าร่มๆแรงๆเสศสัรต์ปั้นยอ่อเฉยไปเอานความจริงล้นลวนเต็มหัวใจ เ, เมื่อวานนี้กไปเยี่ยมพระป่วยโสลดเหมือนกันนะนี่เลยยิ่ ง, ง, งพูดออกมาอย่างจะว่าบ้าก็ตามว่าอาถารก็ตามเวลาเราจะตายอย่ามาทำเราอย่างนั้นเป็นน้ำขานะอะไรต่ออะไรเราโยงเรายางเต็มจมูกมันทนอยู่ได้จะทนทนไม่ได้จะไปอย่าเอาอะไรมาทรมานนะ สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งทรมานที่สุดยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติกําจัดกิเลสให้มันหมดไปจากใจแล้วสิ่งมันี้มันจําเป็นอะไรว่างั้นเลยนะมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของนี่แล้วสงสัยอะไรเอมอมลวดลายของความบริสุทธิ์ของใจนีนเป็นยังไงลวดลายของสมมูรณ์มันเป็นยังไงมันรู้กันหมดแล้วนี่จะามาบีบบังคับกันยังไงอืมไม่ไม่สงสัยว่าท่านจะเสียท่าเสียที เรื่องสติปัญญาเป็นกิริยาที่อันหนึ่งเป็นสมมติเพื่อเครื่องใช้เท่า น, นั้นความบริสุทธิ์เป็นธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ไม่ขึ้นกับอะไรโรคภัยใกล้เก็บมันจะเป็นขนาดไหนแบบใดก็ตามมันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตไม่ได้นั่นฟังดิั้นจึงไม่ควรในหะ้ท่านทรมานจะเป็นผู้ใดก็ตามโอ้ยดูแล้วทุเรศนะ มีเคยพูดกับหมูกับเพื่อนเสมอเวลาเป็นหนักก็บอกว่ายาหยุดนะให้หยุดว่างั้นเลยนะแล้วใครจะมาแตะต้องกายนะอย่ามาแตะจะทําหน้าที่วาระสุดท้ายพูดง่ายๆว่าเอาไว้รวดลาให้เต็มที่ในหัวใจยโยของนี่ซะว่างั้นก็ได้นี่เพือเพราะไม่เชื่อโซ่ธานในเรื่องเหล่านี้นี่นะอกลัวก็ไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าดูตามความจริงไปตามความจริงไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นเรื่องเหล่า น, นี้มันอะไร สมมติเขารู้กันอยู่สมมติเดียนมาเรียนสมมติปฏิบัติเอาปฏิบัติให้รู้สมมติหากว่ามันรู้กันแล้วมันจะสงสัยกันอะไรจะหลง ก, กันอะไรแล้วมันเห็นอาจางยงานที่นะักปฏิบัติเอาไปเห็นนโอ้ทุเลศดูดใจกึกเลยเอาไปเห็นเอาไปทรมานนั่นทรมาม รู้มันมันมันมันจะไปไม่รอดแล้วหรือว่าธาตุขันนี้อยู่เหลือก็ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่มีคำสะทุกสะความว่าสะทุกสะานข อ, อยมันถึงขั้นนั้นเถอะนะลายใดก็ตามหมื่นหมื่นแสนแสนั่ น, น, ลนล้านลายก็จะไม่มีแม้ลายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นความตางตัวเอง ก็จะมาสะทกสะท้านกับเรื่องความเป็นความตาย่านี้ไม่มีเพราะเป็นความจริงด้วยกันแล้วเอาละเด็กตอนนี้พอที่ไปที่ไปก็รู้สึกหน่อยหน่อยแล้วันทวันนี้รู้สึกจกดเสียงจะดังไปแก้ขงข้นไปจริงมีอะไรนิดนิดเวลาแท่ไปงอนจะไปลัางมันไม่ได้นี่มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเพราะเราไม่ได้ด ตั้งท่าตางๆที่จะให้เป็นมันกเป็นประตามหลักธรรมชาติเป็นพอดีพอดีของตัวเองเวลานั้นจะชา้านิดเร็วเสียงเบาหรือหนักอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเราเป็นบังคับไม่ได้นะทีนี้มันก็มันก็มากรนะกเทือนเมื่อมันเข้มข้นก็ถ้ากรรมฐานเราตายแบบนั้นไม่หมอเลยนะผมบุญจริงอะ มันถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่อยากยุ่งอะไรเลยก็จะตายโดยหลักธรรมชาติของเราหรืยิ่งอย่างทุกวันนี้ด้วยแล้วเราผู้ลุงคงเนนะี่ยอย่าไปดังขั น, นกับเราวัานนีอย่าอะไรมายุ่งเราไม่ไม่ลุงผู่ขาวท่านตัดปุ๊บโอ้ยพอพอพอันนี้เข้าม า, าท่านปัดก่อนทันทีท่านเทียบกันที่แล้วท่านปัดเพราะอะไรเท่า น, นั้นก็ถึงใจแล้วร้องขันระหว่างคุณไงมันอยู่ได้เราอยู่อยู่ก็ได้ก็ปล่อยเลย พรธรรมชาตินั้นจอมบรนเต็มที่แล้วมีปัญหาอะไรท่านพุ่งท่านสิ้นปัญหาสิ้นอย่างนั้ น, นสิ้นจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องเป็นรความเป็นความตายนี่เป็นอากัศกิยาใดก็ตามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิตวิมุตของท่านเลยเปนคนละโลกคุย น, นอฮะ มันเห็นรู้กระเจ้าของก็ไม่เศร้าที่เอาอะไรไปสงสัยเรื่องเป็นเรื่องตายมันโรคทั่วไปเป็นหีายอย่างโอ้โหมันคุกค้าเข้ากันไม่รูร้อะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนเราถทิ้งทิ้งเนื้อทิงตัวหาจะติสตังไม่ได้เลยพอพอมันเป็นอันเดียวกันท่านผู้เป็นคนละจัตละส่วนทำยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือเป็นหลักธรรมชาติ คนละสัดส่วนะอะไรไอ้สอบมันอไไอ้สอบมันอะ <c oughs> ลรเเนี่มันก็เป็นมาถึงขั้นทีว่าก้าสก้าเปอร์เซนต์ทั้งสองชนิดนั่น <c oughs> นี่ดังที่เคยพูด ที่ว่าถ่ายท้องน้องผือก็99เปอร์เซ็นตให้เห็นชัดเจนเอ้ยีกเหมือนกันลรคหัวใจที่มันตอนที่ว่าที่เร่าในหมววู่คนฟงว่ามันจะไปอจริงๆนะถึงกับไม่ไม่กล้านอนเลยที่เรายังจะเรายังจะมันพอจะเดียวยากันได้ปะเดียวยาไปไม่กล้านอนนอนมันจะเป็นเวลานั้นเวลานอนทําไงนั่น มันก็รู้เองไม่พูดแต่เขาตามมันก็รู้ในเจ้าของเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านอยู่บ้านพูท่านจึงบังคับให้ไปเดี๋ยวนี้ยังย่ารอนะเอาผมไมาสมัยย่ารอนะ้รอไม่ได้นะเพราะท่านรู้งท่านนั่ะท่านบังคับเอาไว้จนจุดท้ายคืนนั้นท่านไม่ยอมนอนเลยพอถึงนเช้ามาก็ไปท่านไม่ยอมนอนว่าผมอยู่ในมุ้งกับท่านเนี่ยสงสัยไปไหนอ่ะ ท่านไม่นอนผมก็ไม่นอนท่านท่านไม่ไม่ยอมเอานั่งเอานั่งหันหน้าเอานั่งคนเราเนี่ยผมลืมอะไรท่านใส่ปัญหาให้ให้รู้หรื่องหรอปัญหาขนาดนั้นก็ยังนี่ครูบาอาจารย์ก็มีหลายองค์นี่ไปปรึกษาองค์ไหนดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเราก็เป็นผู้น้อยเลยอยางนั้นผมก็แค่ 16, สิบหกพรรษาเนี่ยคูบาอาจารย์ทั้งหลายมีมากมายก็ เราก็ต้องฟังเสียงท่านด้ยแต่ที่พวดเขียวเข็นบังคบัญชาท่านเที่ยวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในมุง้งใครไม่ได้ยินกับเราล่ะผูบาจารย์ทงหาก็อยู่ข้างนอกนู่นผมที่เป็นผู้รับฟังอยตลอดเวลาจากท่านมันจะนอนใจได้ยังไงเอาผมไปเดี๋ยวนี้อย่ารอนะอย่ารอนะอันนี้มันมันวิ่งย้อนหลังนะะเวลามาเป็นในเรานี่ยั ง, งอ๋อหออย่างนี้อย่างนี้ อ, อย่า ง, ง, ง น, านี้งั่น อย่างนั้นอนะ่ะมันมันวิ่งถึงกันเองนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะั่นคือท่านนอนเวลาท่านหลับเราก็เปรียบเทียบกันดิว่า <c oughs> เหมือนแชมเปียนกับแชมเปียนที่นักมวยเวลานอนหลับดูเข้าค้อนมาตีมันมีอะไรต่อสู้เขามีท่าต่อสู้อะไรท่านท้ายพิงกระบอกเนะี่ยแต่เวลาขึ้นเวทีแล้วเราต่อยกันดูซินั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะมีเวลาเป็นในเวลาหลับนั่นนะ่ะอไปได้จริงจริงไม่สงสัย เร่เห็นนี้เองเราจึงไม่กล้านอนบางคืนกางวันยังไม่กล้านอนมีมันรู้อยู่ชัดๆว่างไงตัวเท่าหนูแล้วก็ตามก็มันรู้จะให้ว่างไงอีกอรู้จริงๆนี่เป็นเพียงว่าจะพูดออกมาได้ตามที่รู้หรือไม่เท่านั้นเองหนักเบามากน้อยกัไหลามันพูดได้แค่พอที่จะพูดได้สิ่งที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นรู้อยู่ชัดๆอย่าง น, นมันก็พูดไม่ได้จะว่างไง นีก้า่เก้าปอเ็นตนั่นเองนี่นิ่มรนมารู้ชัดโอ้โหเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเราเคยพูดเรียกว่าโรคหัวใจนี่เป็นแค่เก้าทีแปดเก้าแปดบอกไม่ถึงเก้าเก้าหมือนค่าที่อยู่ตรงผือเราว่าแต่ก่อนโบราณมากเป็นที่จริงๆมันก็รู้ได้ชัดอ๋อนี่ยคำว่าเก้าแปดมันคือมันปล่อยเข้าไปหมดนั้นแต่มั น, มนตรงนี้ไม่ปล่อย เป็นเป็นทุกขเวทนายอย่างละวอยีาอยากจีบที่ภายในบองเข้าใจนะกรงกลางเนี่ยจะเป็นกับอะไรก็ตามแต่มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันยังไม่ปล่อยตอนนั้นปล่อยเข้ามาหมดแล้วมาดีนี้ยังไม่ปล่อยเนี่ยเก้าจุดแปดพอปล่อยนี้ภาพมันกับเก้าจุดเก้าภาพร้ายก็คือจิตดีตออกเท่านั้นหนึ่งก็เป็นร้าย น, นี้จิตยังไม่ออกเป็เรียกว่าปล่อยเขานับผิดชอบหมดร่างกายก็เหมือนตอน้นไม้ั้นพื้น แต่ความรู้ยังเป็นตัวของตัวอยู่อยู่ภายในนั้นแม่เดะ ย, ยังไม่ออกก็เลียงเก้าถึงเก้าพอขยับนั่นก็ร้อยเปอร์เซนรื่องของโรกหังใจนี่มันกระเป็นได้ถึงขนาด น, นั้นแลวอะไรก็ตามถ้าเราวันเป็นเรามันก็มันก็ยอมเราคนเรายอมได้ยอมทั้งนั้นแหละไม่ทราบจะฝืนความจริงไปไหนอย่างที่ ว่าแม่ครูจานท่านบางังคับให้ไปจะกคัวไปเดี๋ยวนี้แล้วยารอนะย่ารอนนั้นคืนสุดท้ายนี้ใหม่ท่านเอาอย่างหนักจริงนะบอกไม่าทำไมผมว่าเลยยารอนะหุ่นขนาดนั้น น, ะน่ะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวของท่านท่านไม่ได้บอกท่า น, านมีรอเรื่องบอกผมว่าทำไม รอนะอันรีบอาไปนะนี่ออกไปนะว่างี่นะนี่จะบอกว่าให้รีบออกไปนะผมไม่หวังจะมาตายที่นี่นะนัะ่นนี่ไม่ใช่สกุลนะนัะ่นดูเวลามาเป็นเพราะเราเข้ามันก็ยอมเรบอ๋อคือมันล้างกันไว้เนี่ยเมื่อมันหมดก็ลังแม่ทัพพุทธเจ้าอย่างนี้ผ่านมาแล้วพวกเราพวกเรานี่ยังตัวเท่าหนูมันทําไมมันจะไม่ตายเมื่อล้างสุดความสามารถแล้วก็ปล่อยเท่น้นเอ นี่เวลานี้มันยังไม่ขุดความสมามารถให้นี่ไปไปเถอะนี่ความหมายว่างั้นกุฏีที่หลวงพวกก่อกดอยู่นั่นใครเก็บปุญแจไว้ปูนแอยู่ไหนใค ร, ครกูจะกดไว้น่ะเหรอปูนแกะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนเก็บไวน้นะจะไปผ้ากุญสีผ้าไปผ้าไปเอาไว้นั่นก่อนมันจําเป็นก็ค่อยพิจารณากัน นี่ภาคันหนาแน่นีทุกวันทุกวันอย่างนี้ลอกก็ยิ่งหนักมันมากก็ยังเห็นนี่แหละยั่วเยาะยั่เยาอย่างนไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรข่าววัดปฏิบัติดูกันนะอยาให้เดีหนักใจนะทําอะไรอให้ดูกันเรื่องเกี่ยวก็เรื่องญาติเรืองโยมยาไปสนใจนะเรื่องของเรามีให้เราทําหน้าที่ของเราไปยาไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปคุ้นกับใครต่อใครไม่ได้นะ ไม่ใช่เรื่องของพระผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของเราจะไปะยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราอยาเป็นขานะเห็นแล้ไร่ออกจาวันเลยนะผมผมพูนกรงนะมันขวางตานี่หนึ่งจงประจบประแจงนั่นด้วยแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนะเนี่ยหัวขาดเป็นขนาดนั้นนะมันสรุดเรื่องมันอะไรกับตานี่แล้วเกินนะแบบนั้นมันเคยเบื่อมันพอแล้ว ไปจบไปแจงือแข่งเนื้อขาอย่าให้เห็นเป็นอยาให้มีเป็นรังขาน้ในวัดนี้ทำที่จะราจะปฏิบัติเป็นคือเพื่ออะไรเป็นอะไรนั่นนั่นคือ ส, สาคัญตรงนะี้ เทบก็บมีกเาไปฟังดูใครพอฟังฟังพอหนาฟังเท่ก็วันนี้มีสักนะไม่จปพูดแล้วมากหนะขอนะเลิกกัน